เพือ น, นิกษสมณีนทุกอง ค, ครับตั้งใจฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยม ท, ทุกคนตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดวันวันพุทธิีวันพุทธตอนถามว่าเจ้าทำกันสั้น ย่อย่อพอเป็นพิธีเท่านั้นเองในขณะนี้ก็ได้เท <c oughs> ่าใดนึงนะตีซี่สามสิบห้าหรือสี่สิบสามสิบห้านาทีในช่วงระยะเวลาที่จะมาแนะแนววิธีปฏิบัติเป็นปีเก่าปีนี้อย่างบทันเป็นปีใหม่ กำลังสแสวงเส้นทางหรือหาเส้นทางที่จะเดินก็ต้องเดินโดยวิธีที่เขาทำกันมานั่นคือให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานอันนั้นหมายถึงที่เขาหาเส้นทางที่จะเดินทางไปสู้กับภาวะหรือจุดหมายปลายทางที่ที่จะบุญลงนั่นเร ว, ว่าเราได้ทางใหม่เป็นปีใหม่ ที่จานทองบอกหวานเน้นวิธีที่จะปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่ยึดถือโดยวิธีการหลักการอย่างอื่นอหมายถึงว่าได้ทางเดินทางใหม่ทางเดินทางใหม่นั้นการเดินทางใหม่นั้นคือว่าเราจะโบกข้องแววกับวิธีใดๆทั้งหมดเราจะเดินทางโดยที่ว่าบบอาศัยอำนาจและโบอาศัยวิธีการ อื่นๆ อ, อ, อาศัยการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะมีจังหวะจั่ห <c oughs> ศึกษาหลักทฤษฎีทางปริยัตินั้นเอาไว้ก่อนและมาศึกษาตัวเองที่กำลังเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นการเดินทางลั ด, ลด อันนี้เป็นวิธีที่การทองหวาหมือแหลงหวานี่หลวงพ่อก็ให้ข้มแนะนําไปแล้วก็ศึกษากันให้เป็นวิธีที่การทองนำมาใัยนั้นอาตมาก็เห็นเป็นบางตอนบางตอนก็บอกเข้าใจนําที่ทันได้เหตุอยู่สอนพักพวกนั้นทางก็มีวิธีคือนั่งพระเพียบหรือนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้นั่งเหยียดขาทําได้ แกมีจังหวะหัดจังหวะให้เป็นแล้วก็มีวิธีลุก <c oughs> ยืนขึ้นนั่งลงนั่งลงแล้วก็มีการนัน่งเจ็บแค่เจ็บขาก็มีการเปลี่ยนอิริยาบถนัง่งขูเข้าขึ้นเดี๋ยวนั่งเขา้าเลี้ยนเท้าทางหลังที่นั่งทับลงไปมีการเปลี่ยนหัดกระดงกสันตลอดเวลา เมื่อนั่งนานแล้วอยากเดินนะครัมีวิธีลุกขึ้นเดินยืนขึ้นได้ทีแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้มีความรู้สึกบ้านเขาเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวตื่นตัวคำว่าตื่นนี่บันจะว่าตื่นแล้วหลงไปเห็นอันนั้นอันนี้มาแลนผ่านหน้าผ่านตานตื่นบนุไม่ตื่นอันนั้น ตื่นได้หมายถึงให้รู้สึกแปลว่าตื่นตัวรู้สึกใจใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกเอาเพียงรู้สึกก็พอโบเมนรู้สึกแล่นนีไปนั่นโบเมนอันตื่นตัวเห็นใจมันคิดแลนหนีนั่นกับโบเมนตื่นใจในโบแมนทางซันคำ ว, ว่าตื่นเนี่ยตื่นอะไรพวกหลงตัวลืมตนไปแลนบางคนก็สะดุดใจปัวยย่านสั้นนั่นเราตื่นตัวตื่นใจ บางคนคอนเห็นใจมันคิดตื่นให้ลองขึ้นไปบ้านหลวงพอ่อเป็นอะไรตื่นใจกนกจกใจว่าใจคนว่าบ้านนลวพอว่าเหมือนกันถามงคงเทศนี่ก็หลวงพอบลูหลวงพ่อพูดนี่พูดเป็นภาษาเมืองเลยเป็นภาษาอเภอเสียงขานเป็นภาษาเช่นบ้านบูโ h o เพราะหลวงพ่อเกิดที่บ้านบูโ hom ตมบุนบูโ hom อำเภอเสียงขานจังหวัดเลยไม่เคยได้เรียนหนังสือ หนังสือไทยได้พูดภาษากลางจริงไม่ค่อยเป็นการโพูดธรรมะและการจีนแนะนําวิธีปฏิบัตินั้นหลวงพ่อเคยพูดอย่างซีส่วนมาเมื่อหลวงพ่อรูมาหลวงพ่อต้องพูดภาษาบ้านหลวงพอ่พอเพราะหลวงพ่อพูดภาษากลางไม่เป็นก็มาหลวงพอมีคนสนใจเป็นบางคนจะกระส่วนน้อยเลยอยากให้หลวงพ่อเข้ามาถักกรุงเทพหลวงพ่อกับมหัดพูดภาษากรุงเทพหลองเบิงพวกกันไม่เป็น ดังนั้นหลวงพ่อจึงตัดสินใจว่าได้ยินจานทองว่าจัดสอนโดยเป็นอุดมการณ์ของตนบ่เอาอุดมการณของคนอื่นมาสอนหลวงพอ่อต้องจําเป็นพูดต้องพูดภาษาหลวงพอ่อหลวงพ่อต้องบาไปยืมคํำพูดของคนอื่นบ่ได้เอาอุดมการ์ของคนอื่นและบ่ทรงจําวิธีการของคนอื่นอีกะด้วยหลวงพ่อก็จําเป็นต้องพูดภาษาหลวงพอ่อมาแน่แนวผมคิดเนี่ยวิธีปฏิบัติอันนี้ รับรองแกหลวงพ่อก็รับรองโซหลวงพอ่อบนได้รับรองผู้อื่นถ้าหากมีคนสนใจและอยากปฏิบัติตามวิธีการของหลวงพอ่อก็ต้องถามหลวงพอ่อแค่คนที่รู้มานั้นมาสอนนั้นอาจจะรู้แบบหลวงพ่อก็ได้หรืออาจจะบม่รู้แบบหลวงพ่อก็ได้วิธีทําจังหวะนั้นทําเป็นเหมือนกันเพราะมันง่ายเบิ้งแผดเดี๋ยวก็รู้จัก การกราบการไหว้ก็เช่นเดียวกันเบื้งแคบเดียวรู้จักการลุกการนั่งก็เช่นเดียวกันเบื้งแคบเดียวรู้จักแต่วิธีที่รู้จักนั้นทางภายในจิตใจนั้นจะรู้หรือไม่รู้หลวงพอวง่อไ่รู้จักดังนั้นจึงว่าหลวงพ่อต้องพูดภาษาหลวงพอ่อเพิ่นี่มาสอนนี่ก็เป็นอุดมการณ์ของหลวงพ่อก็มีเพรที่เจมาสอนเนี่ยวิธีการนั้นจึงว่าเหยียดได้แต่ส่วนจิตใจที่รุน่นอ รู้ไม่ได้เพิ่นก็ต้องรู้จิตใจของเพิ่นหลวงพ่อก็ต้องรู้จิตใจเรื่องของหลวงพ่อแต่าขันธ์รู้แบบหลวงพ่อพูดคําเดียวกันต้องรู้ จ, จ, สส า, บบกจากคําพูดหนักเบาผิดกัดอันนั้นเป็นการรู้มาจากวิธีของหลวงพ่อเห็นไหมธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้าปฏิบัติอย่างเดียวกันก็ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้าหากว่ารู้อย่างอื่นนั้นบอกว่ารู้แบบหลวงพอ่อแต่ว่าวิธีการนั้นเหตุบแบบหลวงพ่อก็จริง แต่ความรู้นะ่ะอาจจีบนรลูอย่างเดียวกันเพราะว่าเรืจิตใจมันคนละอันกันเนี่ยก็คเพียงไปเห็ น, นยกมือเดินจมกลมเน่ะเออเป็นวิธีของหลวงพ่อเทียนอันเนี้ยแมนอยู่วิธีการแต่การรู้อาเจียนบลนกระใดอันนี้ก็เตือนจิตสจิตใจเอาไว้เยกการแสวงหาเส้นทางมือนี้ตอนเศร้าพูการแสวงหาเส้นทางจัก่อนบางทีปีไม่ถ้าอยู่ดีมีแหงเป็นวันที่นึงก็ต้องบอกว่า การเดินทางปีใหม่เอย่าบนทางเดินอย่าบนทางเดินปีบนบได้เอาวิธีเลยปีเก่าต้องเอาเดินวิธีปีใหม่แต่ว่าปีนี้ก็ต้องวาเรื่องวิธีปีเก่าบันนี้เราจะเข้าเดินปีใหม่ก็ต้องเรียนเกลียมเนื้อกียี่ยมตัวเรียนจังหวะเดินจมกมและบันนี้ก็ตอนข่มรูก็จะเป็นข่มรูปีใหม่ที่ว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เมื่อวันที่หนึ่งก็ต้องวาเรื่องปีใหม่ ปีนี้เป็นปีเก่ากำลังสแสวงหาทางเส้นทางก็เรยกว่าเลียนจังหวะเลียนลุกเลียนนัง่งเลียนยืนเลียนเดินวิธีมันเป็นอย่างไรจังหวะเป็นปีเก่าเราจิตแสวงหาเส้นทางใหม่เดินใหม่คือเลิกการคิดทุกวิธีในตำรับตำลาเอาไว้กอด เคยให้ฐานมาแล้วทุกคนเรื่องให้ฐานเราไม่ต้องสงสัยทานหมายถึงอะไรเรายัางไม่ได้พูดเือและวันนี้การรักษาสินทุกคนได้รับมาแล้วสินห้าสิแปดทุกคนได้ทํามาบางคนผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านรักษาสินสองรอยยี่สิบเจ็ดรักษามาแล้วเอาไวส้สกปรต้องมาเรียนวิถีเส้นทางใหม่สก่อตคือเรียนจังหวะ เดินจงกรมทำจริงทำจังและไม่ทาเล่นและไม่ทำเพื่อให้คนเห็นและบม่ทำเพื่อการยกย่องและบม่ทำเพื่ออย่างทั้งหมดทําให้อย่งังไงทำให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีใารมันรู้วิธีที่เห็นมูพินสอนอยู่ภายในวัดสนามไหนพิกมือขึ้นทีแรกต้องนั่งระเพียบ ก, ก็ได้ นั่งขัดธมามะก็ได้ขัดธมามเรียกว่าสมาธิกันว่าขัดธมาดบ้านหลวงพ่อเรียกว่าขัดธมามะทางนี้อาจจะว่าขัดสมาธิก็ได้มันผิดกันในคําพูดนะขัดธมามขัดสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิมันวาวตามกันคำพูดนั้นมันเปี้ยนเพี้ยนนักเบาไส่สระสระผิดกันเดี๋ย ว, วาการกระทำนั้นนางแบบเดียวกันนั่งพระเพียบกันนั่งพระแพทย์นะบางคน นางพเพีย์เนี่ยคำพูดมันเป็นส่วนแต่ตัวนั่งนั่นอันเดียวกันที่ว่าคำพูดนั้นเคลื่อนไปได้การพูดลอยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตดัดสู้การกระทําให้มันเห็นนั่งข้างเดียวไม่ได้เพราะการกระทํานั้นมันรู้สึกว่มีคนจะพูดเลื่ย น, นางพาเพียร์นางเหยียขานั่งขัดธรรมะนั่งจะไหนก็ได้เพ้อเอามือวางไว้บนขาคั่วไว พลิกมือขึ้นศาซาให้รู้สึกพอดีมันตะแครงขึ้นมันหยุดให้รู้สึกอันนี้ว่ามีการเพียนเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะพลิกมือไผ่มือเราคนอื่นจะมารู้ว่าเราพลิกมือนั้นเห็นแต่ตาคือความรู้สึกนั้นรู้ดีเหนือหาบได้เพราะเขาเองเป็นคนรู้ผมมันพลิกขึ้นมามันไวขึ้นมาอย่างนี้รู้อย่างนี้มือเขาสั่นอยู่บนขาตะแคงเลยเรียกว่าสั่นบ้านหลวงพอ่อ สันไว้กระแขงไว้ตั้งไว้เนี่คําพูดสามขัสันไว้กระแขงไว้ตั้งไว้สามคำเป็นอันเดียวแต่ให้มันตั้งอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อให้มันรู้สึกว่ามันหยุดแล้ววันนี้คอยยกขึ้นเดี๋ยวมันไหวหรือมันยกขึ้นเอาขึ้นเนี่ยมันคําพูดมาถึงที่ครึ่งตัวแล้วาหยุดไปอันหยุดกับเศร้ากับนิ่งกับอันเดียวกันอีกตืมนีให้มันรู้สึก วันนี้เขาจี้เอามือเข้ามาหาสะดือเขาก็นให้มันเข้ามาสาซาให้มันรู้สึกว่ามือเราเข้ามาแทบกับสะดือของเราแล้วจิงหรือรู้สึกว่ามือมันแทบอยู่สะดือแล้วมันหยุดมันนิ่งมันเ้าให้รู้สึกมือซ้ายมือขวาเฮ็ดสลับกันแต่คาพูดก็ะชี้เป็นคําเดียวกันแต่ว่าเลยบอกเป็นสั้นๆให้มันรู้สึกเมื่อนั่งสิทําอย่างนี้อยู่เลือนขึ้นมาหน้าอก เอาคอยขึ้นมามาแทบไว้แนบไว้กับหน้าอกเรามันหยุดมันเศรามันนิ่งเป็นคําเดียวกันนัน่นเนี่เอามาทีละมือหนูไปมือเดียวหนึ่งทีละมือคาว่าหนึ่งนี่ก็ให้เข้าใจหนึ่งทีละมือตีงทีละมือไหวทีละมือโบตีงพร้อมกันโบหนึ่งพร้อมกันโบไหวพร้อมกันเพราะเขาเป็นคนฝึกไม่หัดไม่หาเส้นทางไม่อ้ น, นี้ถ้าหนึ่งสองมือกําหนดบทหาร พเพราเาเป็นคนใหม่เลยยังบทนสนานนี่ถ้าหากเป็นคนเก่าเคยทํามาแล้วนี่ว่าเราเดินได้เส้นทางแล้วกําหนดไหวที่สุด <Okay. S 1> กําหนดใส่กระไดหนึ่งสองมือสามมื อ, อสองมือสา ม, มือบ่วมีเนาะนเคยวอลซื่อๆเลยสองเท้าหนึ่งพิษตาไห่ใส่ลู่ทันอันนั้นลู่เท้าลู่ทันลู่กันลู่แกเรียกว่านานแล้วนะอันนนี้เป็นวิธีเว้าให้ฟัง เมื่อคนใดทำมาแล้วหลายครั้งหลายเที่ยวทำมาบ่อยๆทำมาปีหนึ่งสองปีเขาก็ บ, บูฮุจักกันหลวงพอบูฮุจักจำคนโบได้โ ย, ยฟังคำพูดหลวงพ่อเป็นภาษาเมืองเลยต้องหัดฟังภาษาเมืองเลยเพราะหลวงพ่อเป็นคนภาษาเมืองเลยเนีย่ถ้าจะพูดภาษากลางต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หลวงพอบรทนัดดังนั้นญาติโยมก็ตามเพื่อนพิสูจก็ตาม การฟังเนี่ยต้องฟังจับใจความที่ภาษาเมืองเลยแล้วก็หัดพูดให้รู้จักภาษาเมืองเลยหัดฟังหัดพูดเพื่อจะเรียนกับแม่ภาษาเมืองเลยเนีย่รู้ธรรมะแท่รู้ธรรมะมูเคินพุนลู่บไม่หยาพลอยรูวิธีที่รู้น่ก็ให้รู้สึกตัวก่อนเมื่อรู้สึกตัวตำนานเข้าตำนานเข้าการรู้สึกตัวสัญญาความายรู้และจำได้ สัญญาบนนั้นสัญญาที่หลวงพ่อว่าอยู่นี่เด้อันนี้สัญญาความจําอันนี้สัญญาที่มันเกิดรู้สึกนั้นหมวต้องจําทําขึ้นมันจะรู้สึกตัวมันเองแล้วก็จําได้แต่โม่เพิ่นจะรู้จํารู้รู้ตัวโม่เพิ่นเพิ่นรู้มาเข้ามาเข้ามาเข้ามีญาณเดียวญาณเขาไปรู้เข้าไปรู้ความเคลื่อนไหวนั่นแหละเคลื่อนไหวโดยวิธีการู้อันนั้นเป็นว่าสัญญารู้ญาณรู้แบบนี้ ญาณ น, นั้นเป็นว่าเข้าไปรู้เพ่นวัลรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเพื่อ เ, เอื้อขันห้าอันเนี้ยเพื่อจึงให้เรียนขันห้นน า, ป า, า, 58, ป า, ปปาเป็นอารมณ์ของยุปัตนาขันห้าอายตนาสิบสองธาตุสิบแปดปินซื่อยี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของยุทปัตนะเราไม่ต้องเรียนทำไม่กี่ไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องเรียนเพราะ เรียนวิธีพลิกมือคลืนเรียว่ารูปการเคลื่อนไหวอยู่ในทุกขนลวงรูปแต่ว่ารูปนั้นเป็นอย่างไรบุรู้จากทางจิจตใจดวงพ่อบรุรุษลูปังอานิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจาเวทนาไม่เที่ยงอา น, นิจเป็นภาษาเพียเ้ยนไปแล้วบนนี้สัญญาอานิจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอานิจจังวิญญาณไม่เที่ยง อันนี้สัญญานนี้เรียนอยู่พอเรียนตีเมื่อเป็นนี้นแบบนี้ไม่ต้องเรียนพลิกมือให้รู้สึกตัวการรู้สึกนั้นเรียกว่าสัญญามันจะรู้ตัวมันเองรู้มาเข้ามาเข้าเรียกว่าญานเข้าไปรู้เมื่อรู้ย่างสมบูรณ์เต็มส่วนมาแล้วเหมือนกับเทน้ําใส่แก้วเมื่อมันเต็มแล้วจะเทลงไปมันล้นออกเรียกว่าปัญญารอบรู้เมื่อรู้แล้วมันจะรู้เรื่องลูก น, น้ํานตะก่อนรู้อืนอื่นโบถูกอันนี้ รูรูรูน้ำเพราะรูปนามมีสินมีสินแล้วก็ต้องรู้สินอันนี้ยังยังเพียงสินที่รู้เมื่อสัญญาลูมาขึ้นมาขึ้นทําให้จิตใจเปลี่ยนนั่นเดียว่าสัญญาลูมากขึ้นเดียวว่าศินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสสมัธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสย่างงากได้แค่อันใดเราจะรู้เองไม่ต้องทำ ไข่เนี่ยอันนี้เป็นภาษาเทียนไม่ต้องถามไข่ทั้งมัดเพื่อนบ้านหลวงพ่อรู้แล้วไม่ต้องถามถามทําไมรู้แล้วแต่กวัดอาใส่คูบาจันถามทบทวนไอ้สอบอารมณ์เออรู้จริงแล้วคนเนี่ยรูปรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกยิ่มีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังโลกทางจิตใจโลกทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้อง เป็นไข้เป็นอย่างอันนี้ป่ะเป็นได้ใจบุ่สบายอันนี้เพราะมันทุกข์กับรูปเต้นด้วยนะเออลูกโลกน้ำจิตวิญญาณเป็นโลกบั่เนี่ยจิตวิญญาณรูปอันนี้วุ่เป็นยังสบายกินข้าวกินน้ํานอนหลับใส่นั่นมานี้พูดคุยกับเพื่อนได้แต่บ่เมื่อพูดมู่พูดเราพูดขมพอใจขมโมโหใจคึกคักคําว่าคึกคักมันตื้นทาง จ, จิตใจเตี้ย สอบเนี่ยอันนั้นจิตวิญญาณเป็นโลกรู้อันนี้เมื่อรู้อันนี้ก็รู้การเคลื่อนไหวของรูปกายที่เป็นทุกข์รู้การเคลื่อนไหวของจิตใจเป็นทุกข์ทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้อันนี้รู้อันนี้จบแล้วก็รู้สมมุติเรื่องสมมุติทุกอย่างรู้ให้หมดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งของถือเครื่องใส่ไมส้สอยเมฆตลอดเนื้อหนังจิตใจ รู้ให้หมดคําว่ารู้ให้หมดในรู้ครบแม้ใครจะพูดเรื่องใดกับรู้ทันทีอั น, นเรียกว่ามีหูทิพย์มีตาทิพย์มีกายทิพย์จึ่ยงว่ารู้ถ้าบ่มีหูทิพย์บ่มีตาทิพย์บ่มีกายทิพย์แบบสัญญาจํามาซื้อ อ, อ, อันนั้นสัญญาเรื่องจัดการกับควทุกขบ่ได้นี่จีงว่าสัญญาทําให้มันเป็นและทําเพื่อญาณปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมันเต็มแล้วปัญญามันหอบรู้เหมืนว่าปัญญาจึงว่าหอบรู้เหมือนว่าอย่ เนรู้สมมติกับรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนานั้นเรียกว่าบบกือกันพุทธศาสนากับศาสนาเนี่ยโบือกันแต่คือการหักโบกือกันโบกือกันเพราะคมรู้แต่คือการเจอตัวคนคือกันโบกือการเพราะคมรู้ควมสอนเนี่ยความรู้ความรู้ความสอนคำรู้คำสอนเนี่ยความรู้คำรู้คำว่าความเนี่ยโบมิโบมิสลาม เป็นความมันสั่นแต่หลวงพ่อเราอาจจะผิดแต่นะความกับตัวคอแล้วก็ตัวบสละอาตัวมอความคำว่าคำเล่นกันตัวขอกับสละอาคำใส่ตัสูดใส้ข้างบนทันไวเ้เลยว่าขำมาสั่นอันนี้ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเพิ่งเรียนอันนี้จีว่าไม่อยากพูดมาเรื่องภาษาส่วนกลางเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อบ่รู้ถ้าหากพูดเป็นภาษาบังเลยให้หลวงพ่อบอกไปพิถานท่ให้รู้ทันทีเลย เพาคนเมืองเดินก็ต้องรู้ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยทำมะรู้ตัวเองเชื่อใครจะมาถามเรื่องตัวเองเนี่ยรู้ทันทีบม่ต้องจดจําคําพูดของใครโม้เพื่อนภิกษุสัมมาเดงก็เมื่อพูดถึงเรื่องตัวเองต้องรู้ทันทีโม้ญาติโยมก็คือกันเมื่อถามเรื่องตัวเองก็ต้องรู้ทันทีเชื่อไม่ต้องถามใครเพราะตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองที่จะไปรู้คนอื่นได้ทําไมคนที่รู้คนอื่นนั้นแสดงว่าอาจจะเป็นผู้มีอภินิหาร อาจจะมีงานสาธิตแบบหนึง่งไม่เหมือนกันจีกว่าการพูดวันนี้จีกว่าพูดภาษาบ้านหลวงพอ่อเมื่อรู้าศาสนาและาศาสนานั้นแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้นผู้ใดรู้เรื่องอะไรต้องนํามาสอนเรื่องนั้นพุทธศาสานาเนี่ยไม่ต้องมีใครสอนเลยรู้เองจีกว่ า, าศาสนาพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้ว อันนั้นเรียกเป็นพุทธศาสนะาศาสนาไม่เพียงว่าสอนกันจดจำเป็นความรู้สั้นพื้นฐานเบื้องต้นใช่ว่ามีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการทำสมถกรรมฐานและเจริญวิปัสสนากรรมฐา น, ะะ น, ารรานคำคำพูดคำนี้สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนีบ่มเหมือนกันทำอะนรี่บ่มเหมือนกันน นั่งทำสมาถกรรมาถามนั่นนั่งขัดสมาธินั่งแบกอื่นบวมเอาต้องจํากัดตายโจลงไปครูบาอาจารย์หลวงพ่อสอนหลับตาภาวนาพุทโทรเรือสัมมาอะระหังนับหนึ่งสองสามบวให้มีเสียงนึกในใจอันนีในปนว่าให้มันดูกับอารมณ์อันนั้นเปนว่าแต่จังว่าไม่ต้องเรียนอารมณ์อันเนี้ให้มันรู้เองถ้าเรียนก็แบบ แสดงว่าเรียนทรงจํามาจากคนอื่นบรมัญญาปัญญาเกิดขึ้นและบรมสัญญาแท้และปัญญากับบรบลูแท้คาว่าแท้ไม่ได้ของจริงนะขันธาบวแท้ขันธะแท้เอาซะเนี่ยเป็นของจริงของจริงนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นบได้ไม่ได้กับบอดายคำเดียวกันนะคําว่าบอด้กับไม่ได้เนี่ยเป็นคําเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไม่ได้ใครจะมาเปลี่ยนแปลงความรู้นั้นไม่ได้ เพราะมันเป็นกฎตายตัวจวัลรู้ดีเพราะเรามีสัญญาสิ่งนนาจีวัลจึงเป็นเคลื่อนกับจัิเจลอย่างยาบจีเล่ย่างงาับเลยขึ้นบ่ได้คือโทสัตโมหะโลภะนี่จะลดน้อยไปความหลงรักหลงสังนั่นก็จะลดน้อยไปสัญญาอันนั้นจะถูกเลือนไปเลอะๆไปหรือจื่ไปจางไปเพราะสัญญาตัวนี้เข้าไปแทนตัวนั้นจีว่าเก้าอี้ใบเดียว ถ้าคนใดเข้าไปนั่งแล้วคนที่สองจะนั่งมาได้แต่ก้อนฮะาเกอรจากทองแม่มาเขาบอกเคยรู้สัญญาอันนั้นมีแต่สัญญาความจำสัญญาความจำมันจิงเข้าไปแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบัดนี้เขาจะพยายามเอาความรู้สึกอันนี้ไปลบล้างสัญญาที่เขาจำมาจากคำพูดคำสอนนั้นให้มันรู้สึกตัวรู้สึกใจสัญญาตัวนี้จะเข้าไปลบล้างอันนั้นเรียกว่า ขวมตั้งใจเป็นสมาธิก็ได้เมื่อโมลงก็ได้เนือว่าบ่มีโมหะก็ได้เพราะเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองจึงว่าไม่วั่นไหวต่อคําพูดของใครทั้งเมด็ดไม่วั่นไหวต่อคาพูดของใครทั้งเม็ดอันนี้จะเป็นคําพูดจีว่าเมื่อสัญญาตันั้นรู้แล้วก็ญาณวิปัสนาเกิดขึ้น วิปัสนาอย่างลู้แจ้งลู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมอันนั้นเป็นคำพูดลู้แจ้งลู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมอันนั้นเป็นคำพูดคำพูดนี้พูดได้เพราะมันมีตัวหนังสือจังหวะพูด้อยคาทําค ำ, ำ, คำมื่นคำแสนคำสู้การกระทำจริงๆไม่ได้อันนี้แนะนำวิธี ให้พวกเราได้ทํากันวันนี้เพราะว่าพูดมา ก, กับไม่ต้องอยากพูดให้พวกเราไปทํามันรู้สึกตัวจริงๆญาติเพียงว่าเห็นเขาทําแล้วทําพลิกมือบับม้วนแว บ, บไลหินไล่หนงที่ซื้อน่ะเจ้าวายอย่างพอโอ้ไลหินไล่หนงว่าเป็นสมาธิกิ่งของเขาเจ้าสมาธิคือตั้งใจทํารู้เหลี่ยวมั้งซี่รู้สึกหลับตาลงซี่รู้สึกมือมนเงี้ยี่รู้สึกเลือดท่ายแล้วหัวรู้สึกอันนี้สมาธิแบบนี้เนี่ โบมีสมาธิแบบนั้ น, นตัวสมาธากับวิปัสนาจิวไปดํากันไม่ค่อยอยากถูกกันได้เป็นเพื่อนกันได้ไว้ใจกันบูได้บอกให้รู้สึกพลิกมือรู้สึกละอายบูอยากถามสมาธากรรมาถามเป็นอย่างไรส่วนวิปัสนาเนี่ยบบต้องมีอายบบต้องมีอายเพราะสัญญาตัวนั้นถูกเลือนไปแล้วเป็นว่าสัญญาตัวนี้เข้ามาแทน สมรรถกรรมฐานนั้นสอบนั่งเงียบๆแก้มงเงียบแต่รูภายนอกใจบบเงียบหลวงพ่อทํามาแล้วหลวงพ่อจึงกล้าพูดกล้าสอนโดยที่โบเกอร์เขินกับคําพูดคําสอนของใครทั้งหมดเรื่องนั่งสมาธิหลับตาทําตัวแขกหลวงพ่อรับห ล, ล, ลองสอนได้ไม่เกินสามสิบวันหลวงพ่อเป็นคนมีดีแล้เอามาพูดโบไม่คนอวดดีเรื่องนี้เป็นเด็กแนบเด็กแนบหลด ไปตีเป็นมีติ่พานหฟังโบเป้โบบาดรับรองว่าคาพูดหลวงพ่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไม่ได้สอนก็ต้องสอนจริงจที่สอนแบบเข้าตัวแขกก็ต้องสอนจริงๆรสอนอันนั้นโดยเฉพาะไม่ต้องแต่ตนไม่ต้องเอาอันอื่นมาเครบเครือบมาเครืบแทงเครืบเครือบหรือมาประสมมันวานมันว่าเลยและก็ไม่ต้องสอนอย่างให้สอนวิธีเดียวเท่านั้นมันจึงจะเร็วอันนั้นจึงว่าทําได้เร็วบัดนี้เลิกอันนั้นมาสอนแบบนี้ไป ตอนแบบนี้ก็ต้องให้เคลื่นไหวอยู่เสมอจังหวัดสมาธิคนละแบบสมาธากรมาธาจึงซอบนำนั่งนิ่งนิ่งสวยๆงามงามวิปัสสนานั้นโบมีสวยโบบีงามโบมีส ก, กุโปรกเป็นอย่างไงโบมีสวยโบบีงามเป็นยางไงมันเป็นปกติตาอยากมืน่นให้มันมื่นไปมันอยากเห็นให้มันเห็นไปเปิดเรื่อขันห้าไม่ต้องเรียนมันเลยมันมีอยู่แล้ว ที่หลวงพ่อมาแน่แนวนี่จริงวะตั้งใจทําลงมือทํากันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมืดีนะลงมือทํากันจริงกันจังหลวงพ่อก็จะส่วยกับครูบาอาจารย์ภายในที่จะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่จะมาเรียนก็มีหลวงพ่อไม่รู้ผู้ที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีเนี่ยเป็นไงบ้าหลวงพ่อไปรับรองบอกว่าหลวงพ่อไปเรียนและหลวงพ่อไปสอนพรเนี่ยเป็น ทำใหจึงหลวงพ่อไปเรียนไปดูซื้อดูเท็ผลยิ่ออกไปประสบการผมบังสิไปเขาเปิดอบรมแล้วจิตไปเบิ้งแล้วบนอบสอนเป็นหลวงพ่อบววิธีอันนี้หลวงพ่อทําแต่เมื่อหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อไปปฏิบัติแต่เป็นโยมหลวงพ่อมาเปิดอบรมบ้านหลวงพ่ออยู่เป็นระยะสองปีกับแปดเดือนหลวงพ่อเปิดอบรมหลายเทือสองปีแปดเดือนนั่นนะหลวงพ่อเป็นโยมสอนวิธีนี้เปิดอบรมทีแรก อืบ้านหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อทําเต็มหลวงพ่อเป็นโยมโยมพ่อไปปฏิบัติแต่เป็นโยมโยมพ่อมาเปิดอบรมบ้านหลวงพ่ออยู่เป็นระยะสองปีกับแปดเดือนหลวงพ่อเปิดอบรมหลายเทัอกสองปีแปดเดือนนั้นนะหลวงพ่อเป็นโยมสอนวิธีนี้พอเปิดอบรมทีแรกบ้านหลวงพ่อต่อมาหลวงพ่อมาบวชหลวงพ่อเป็นเปิอบรมที่นั้นเปิดอบรมทีนี้ เลยเรื่องมีกระจายเป็นกางเปิดอกเลยมปัจจณากรรมฐานจึงหวัดมีการเปิดและการปิดนี่นี่เป็นการเปิดเส้นทางให้คนเดินทางเฉพาะผู้ที่สนใจเบอร์นี้และผู้ที่เคยเสนใจมาตะก้อนนั่นกน็เปิดกันมาแล้วนั่นเดินไปแล้วมัดี้อยืนคุ้กระจิบหาวิธีว่าเราเข้าจุดแล้วหายของที่คั่วเปิดของที่ปิดตอนแรเนี่ยค่อยวาว เอาแหละมือนีที่เนี่แนววิธีปฏิบัติให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมาตอนเ้าวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วออกไปแล้วต้องทํากันจริงกั น, กนจังอย่าเป็นคนเหลอกแหละอย่าเป็นคนหลอกตัวเองอย่าเป็นคนพูดเลวไล่ไล่สาระมันผิดเอาแหละที่แนะนําวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเค่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมวันนี้ อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจให้พวกเราได้เป็นคนพูดจรงิงทำจรงิงรู้จรงิงเห็นจรงิจรงตามคำพูดคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคนุนี้รู้เหมือนกันรับรองถ้าทําวิธีนี้รู้สึกสัญญาจันได้เข้าไปสัมผัสแน่แน่แ น, นเดียวงานของวิปัสสนาเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ลปัญญาเป็นว่ารอบรู้ขอให้ทุกคนรู้แจ้งเห็นจริงในประจักษ์ใจของตัวเอง ในชีวิตนี้ด้วยเวลาไกลนีรู้วันนี้แห้งจะดีมาก น, นรู้มาแต่ก่อนก็ดีแล้วทุกคนทุกคนรู้สิทธิของตัวเองในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธออ่านมีนคู่เขาแล้วก็ตากกันเลยไม่ต้องทำพิธดีนี่ว่าอันดับพอที่จะใช้ได้อันดับพอที่จะใสได้เรียกว่าดีบ้านหลวงพอเรียกว่าดีวด่า คันธารเลวลงไปก่กรุวรัชวัยโบราณอันนี้ว่าดีไม่นึกว่าวัฒนธรรมไหนจะจัดเป็นรูปแบบอย่างนี้ขึ้นมาได้คงจะได้ศึกษามาพอสมควรเพราะว่าพวกที่ยุวันธรมไหนพระเนรหรือรวมถึงสมภารจะาวาดสมภารจะาวาดเป็นคำเดียวกันจัดรูปแบบไม่ซ้ำรอยใคร นี่ว่าโยมก็เอาไว้ที่หนึ่งผู้หญิงสำหรับผู้ชายก็เอาไว้รวมๆกันและมาสันก็ผู้หญิงนั่งเป็นแถวหนึ่งดูไม่ปนกันโยมผู้ชาย ก, ก, ก, ก, ก็นั่งเป็นพักเป็นพวกไม่ปรปนกันแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็นั่งเป็นพักเป็นพวกไม่ปรปนกันการหน้าดูหน้าสมมันไปเข้ากับหลัก ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนเอาไ ว, ว้ว่านกเอี้ยงเขาว่านกอีเอี้ยงกินมากโผลหายเขาว่าเซลล์ซวเสียงไม่มีตัวห้องแซลแซห้องตัวเดียวมิกมีเขาว่านกอีเอี้ยงกินมากโผไหายโตอยู่ลมพยักกินงาเถงโตอยู่เถงพรายากกินงาลมอันนี้เขาเว้ากันเป็นภาษาสำนวนภาคอีสานเขาว่าเป็นปัญหาเสียสวาากัน เขาพูดกันเรื่องผระสงฆ์องค์เจ้าป่งอบัตกันมีการสับปะตากันอันนี้การโปงอบัต์แบบนั้นก็ดีแล้วแต่ว่ายัางขืนทำอยู่กับแสดงว่าอาบัต์นั้นไม่ตกเพราะยังไม่แก้ไขปัญหาตัวเองมันจะตกได้ทําไมอาบัต์หมายถึงความติเตียนนักปราชญ์หรือผู้รู้เนเ่ยทาอย่างนั้นไม่เรียบร้อยเขาตําหนิ แม้จะไปปรองอาบัตสั ป, ปตาทุกเ้าทุกเย็นทุกวินาทีก็อาบัตนั้นไม่ตกเลยถ้าอยากให้อาบัตนั้นตกไปก่อนเปลี่ยนแปลง น, น, นิสัยเดิมแก้ไขนิสัยเดิมเดิมมาทําเป็นรูปแบบที่พอดูได้เรียกว่าอาบัตก็จะน้อยไปหรือตกไปอย่างที่ญาติโยมนั่งทําพัตกิจ เาว่ปพติกินเรียกว่าสันบ้านวงพ่เรียกว่ากินข้าวนั่งกินข้าวเนนนั่งสันอาหารก็กินข้าวคือกันผู้หญิงก็กินข้าวผู้ชายก็กินข้าวพระสงฆ์องค์เจ้าก็กินข้าว่าต่างกันแต่ว่านั่งสัน หลักประทานผิดกันคำพูดแต่ควมจริงแล้วก็กินข้าวนั่นแหละบ้านหลวงพอ่อคันว่ากินข้าวหลวงพ่อวางายคันว่าสันนับประทานนั้นลายาเพราะหลวงพ่อบม่เคยดัดนิสัยเพราะเป็นนิสัยเดิมๆอย่างนั้นการปรงอาบัติก็หมายถึงหยุดเศรงงดเว้นจากความทำผิดเมื่อยังไม่หยุดไม่เศรงไม่งดเว้นจากการทำผิดแล้วอาบัตไม่ตก ไม่ตกจริงๆเพราะว่าเรายังทำอยู่แต่แสดงว่าจะหยุดจะเศร้าไม่หยุดไม่เศร้าก็แสดงว่าอาบัติไม่ตกเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็มีบทหนึ่งอยากนำมาเล่าให้พวกญาติโยมได้ฟังแล้วญาติโยมคนที่เคยบวชก็จะจำได้คนที่ยังไม่เคยบวชก็ไม่ได้ฟังผู้หญิงคนกรุงเทพมีการศึกษามากอาจจะรู้ทันทีพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันรู้ คนที่เคยเรียนแต่คนบ้านนอกอย่างที่บ้านหลวงพ่อไม่รู้ไม่ได้เรียนแม่เรียนแล้วก็ยังไม่รู้เป็นอย่างนั้น่างนั้นการฟังจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนฟังถ้าหากเราไม่ฟังแล้วจะไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูด้วยตาฟังด้วยหูสัมผัสได้ด้วยใจท่านว่าอย่างนั้น ที่จะนํามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่เรากําลังศึกษาและปฏิบัติอยู่ในขณะนี้อย่างที่พูดเรื่องอับัาตก็พูดไปแล้วการสัน่นแบบนี้นั่งเป็นเรียบร้อยก็พอดูได้แล้วแบบนี้ระวังไนะว่าสั่นเข้าอันนี้ไม่ใช่พูดคนนั้นคนนี้นะเราเรื่องขูมเป็นอยู่ให้พวกเรานําไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อจะได้เข้าใกล้กับนักปราชญ์หรือสัตบุรุษ หรือว่าบุคคลผู้ที่รู้มาการสันกรลำัดระวังไม่ต้องมีเสียงทันวายอย่างนั้นไม่ต้องมีเสียงเงียบอย่างที่เราทําวันนี้เงียบดีน่าดูน่าชมมีคนมาเห็นก็พอดูได้ทันวาและการนั่งก็เช่นเดียวกันไม่ปราปนกันก็พอดูได้ไม่ปราปนกันทันวายอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาทําที่นี่ก็เรียกว่าน่าดูน่าชม คิดแล้วก็คงจะเข้าใกล้ใกล้กับคําพูดคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างที่คนกรุงเทพเนี่ยเรียนมากมีความรู้สูงคนบ้านนอกไม่ได้เรียนความรู้ไม่มากการพูดกับคนบ้านนอกพูดสบายการพูดกับคนกรุงเทพยิ่งสบายเพราะคนมีปัญญาเป็นอย่างนั้นถ้าไปพูดอย่างคนที่ไม่เคยรู้หนังสือไม่เคยได้ฟัง ไม่เคยรู้อะไรพูดยากเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังพูดให้มันกว้างและวันนี้ก็ต้องไม่พูดกว้างเพราะเวลามันจะหมดไปเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะาดังนั้นวันนี้จึงจะรัดสั้นให้มันกลุมเข้ามาเขาว่าเปิดของที่คว่หนายของที่คว่อาจจะมาพูดเมื่อกี้ในว่าเปิดของที่คว่ำก็ะูกแต่ว่า มันไม่แน่ใจวะหงายของที่ควมเปิดของที่ปิดคนกรุงเทพฟังแล้รู้มีปัญญาแต่คนบ้า น, นอกอย่างที่บ้านหลวงพ่อนั้นรู้แต่ไม่เข้าใจแต่คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นเปิดอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่รู้ดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยววันเริ่มงานวันที่สามสิบเริ่มงานตั้งแต่วันที่สามสิบ วันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดตอนเ้าสันทำวัดก็พูดกันมาตอนสัน็ต้องพูดให้ฟังเราจะเดินทางเดี๋ยวไม่กลับแต่กลับมาไม่ใช่ว่าไม่กลับอย่างนี้คือว่าเรารู้ว่าหนายของที่คว่วเปิดของที่ปิดการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลไม่ได้ศึกษาตัวเองบัด น, นี้เรามาศึกษาตัวเองศึกษาเพื่ออะไร ศึกษาเพื่อให้รู้ของจริงและไม่ไปยุ่งกับตำลาให้มากตำลานั้นเพียงเขียนช่วยจำเท่านั้นเองดังนั้นสมัยพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เขียนตำลาให้คนศึกษาตัวเองให้รู้ตัวเองจริงๆคนอื่นจะรู้ดีเหมือนเรารู้ตัวเราไม่ได้คนอื่นต้องรู้เรื่องคนอื่นเราต้องรู้เรื่องของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นจึงว่าไม่ได้บอกไว้เขียนตำลาอย่างนั้นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตายไปก็ได้นิพพานก็ได้สวรรคตกก็ได้ล่วงไปแล้วสี่รอยห้าสิบปีจึงได้เขียนหนังสืออันนี้ไว้ถ้าหากพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเรียนตำราทรงจำในคำพูดท่านคงจะจดไว้บันทึกไว้เขียนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอ่านแล้วท่องบนจำได้แล้วแล้วไปไม่ต้องปฏิบัติคงจะเป็นอย่างนั้น อันนี้ความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เขียนมันได้บันทึกไว้ก็เพื่อว่าทุกคนศึกษาตัวเองต้องรู้มีอะไรที่ตรงไหนต้องรู้มีความซอบความเกลียดความเบื่อนายความทุกอย่างนะ่ะถ้าจะพูดไปเมื่อกี้นี่นะว่าความคลายกําหนัดอะรอย่างนั้นแต่เลยไม่อยากพูดคํานั้นเราจะรู้เองคนอื่นรู้เหนือเราไปได้ ดังนั้นเรื่องขันห้าอายัญตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินรี่ยี่บสองอริยะสตัติปฏิจจะเสมุมปบัติเป็นการเขียนเอาไว้ให้คนเรียนออกและทรงจำออกนำไปปฏิบัติเอาดันไว้อันนี้ไม่ต้องเรียนเพราะเพียงทำพลิกมือขึ้นคว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาอ้มเงยเอียงท้ายเอียงหัวพิบตา เดียมือนขึ้นหลับลงเลือดท้ายแหล่หัวเดินหน้าถอยหลังให้รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกนะั้นแสดงว่าเราลืมตัวเมื่อเรารู้สึกแสดงว่าเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวเมื่อไม่หลงตนไม่ลืมตัวแล้วแปลว่าเรารู้ตัวมีสัญญาคือตัวเราอันเนี่ยแต่สมมุติว่าตัวเราแต่มันก็สมมุติด้วยความจริง นี่สมมุติบัญญัติปรมัติ์บัญญัติอัฏถะบัญญัติอริยบัญญัติรู้เรื่องนี้ว่ารู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แต่ทุกคนต้องรู้หนีไม่พน้นเพราะตัวเองมีอย่างนั้นสมมุติว่าตาเนี่ยสมมุติบัญญัติขึ้นมาแต่เป็นของจริงเป็นปรมัติ์อัฏถะบัญญัติพลวลุ่มลึกยากบุคคลที่จะรู้ได้คือจิตใจมันนึกมันคิด มันนึกมันคิดแต่ยากบุคคลจะรู้อริยบัญญัติสําหรับบุคคลที่รู้จิตใจนึกคิดนี่เป็นอริยบุคคลได้ต้นทางหรือได้กระแสเดินไปหาพระพุทธเจ้าเรื่องขันห้าก็รู้ว่าตาหูจมูกบ้านหลวงพ่อเรียกว่าดังขันว่าจมูกบุรู้บานหลวงพอไปเทีเมืองลาวก็บุรู้ษนี่ว่าดังขนาะดยังรู้จมูกจมูกเรียกว่าดังเนี่ยทุกคนต้องรู้เพราะมันมีในเรา ไม่ต้องเรียนก็นได้อันนี้ที่หลวงพ่อรู้มาที่ว่านำความจริงมาเล้าสู่ฟังทุกคนพิสูจน์ได้คนมีปัญญาอย่างที่กรุงเทพนี่นักศึกษาเรียนมาแล้วมหนึ่งถึงมหกหรือมแปดหลวงพ่อบุรูกก้เขว่ามแปดเนี่หลวงพ่อทำไม่เป็นเสียงมแปดอะ น, นันหลวงพอ่อบันนี้ก็เตรียมตัวเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยนั่นนี่เขาเรียกว่าสันปัญญาเป็นบัณฑิตไม่ใช่เป็นพุทธชนนะคำา บ, บัณฑิตก็แปลว่า น, นักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้เสี่ยวสารในการทําการพูดการคิดปริยาโทกริยาเอกเป็นผู้เสี่ยวสารแตกสารในการพูดในการคิดท่านว่ากันะเจ้าหลวงพ่อไม่ได้เรียนไม่ได้แตกสารไม่เสี่ยวสารอะไร เพียงจะแนะแนวให้ทุกคนเข้าใจตัวเองมันพลิกมือขึ้นให้รู้สึกคว่มือลงคว่รู้สึกสญญมมนีน่เรียกว่าสัญญาคว่หมายรู้จำได้ฉนนเรียกว่าสัญญารูปธรรมอันนี้รูปนี่มันทํามันพูดก็เป็นรูปพูดมันคิดก็เป็นรูปคิดแต่ว่าให้มันเกิดสัญญาอันนี้ขึ้นมาเกิดสัญญาอันนี้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น งานเข้าไปรู้งานเรียกวาไปสัมผัสไปหุกไปสีอย่างนี้แหละนี่ว่าไปถูบ้านเรือนเรามันสกปรกก็ไปถูมันจะสะอาดขึ้นมาเรียกว่างานเข้าไปรู้สัญญารู้แล้วที่ตรงนี้ยควรผัดควรล้างว่าอย่างนั้นสัญญาแต่พูดยากเพราะมันไม่มีตัวตนไปถูไปเซ็ที่ตรงนี้แหละนี่ว่างานเข้าไปทํางานเมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญญาไปว่าลบเอิบพอแล้วเนี่ยเนี่ว่างานปัญญาของวิปัสสนาเกิดขึ้น ให้รู้แจ้มเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ดีในตัวเราบัด น, นี้ก็ต้องพูดให้ฟังดังนั้นพวกนักศึกษาเรียนกันมาแล้วบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ดังนั้นการจะทําอะไรทําตามใจสอบไม่ได้ถ้าหากเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีความรู้ต้องรู้จักสังคมเขาทำอย่างไรอย่างไรนี่ก็เราพอไม่ค่อยรู้กันเอง ยังไงหลวงพ่อบุคคลรู้ไปทำยังไดกันท่านบ้าหลวงพ่อสังคมเขาทํำยังไดก็รู้ที่ถ้าเราเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ผมีควารู้เป็นผู้มีสัญญาดีก็ต้องแก้ไขตัวเองไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนแปลว่าเราเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้ท่านว่าอย่างไรอันนี้เรียนมาแล้วพวกท่านเป็นผู้ศึกษาเราเรียนมามากดังนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ ไม่ต้องเรียนอะไรมากแต่วันนี้ก็เป็นวันเป็นวั น, น, วนที่จะลงมือทำกันตั้งแต่ตอนเ้าทรมัดมาแล้วก็แนะนำกันทำตอนสันแต่นี่ก็ทำไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรลืมคว่ำหลังลืมคว่หลังเสียถเถอะลืมทำไมเพราะนิสัยคนพูดมากคุยมากบัด น, นี้เรามาอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดและไม่ต้องคุยพูดกับคุยเป็นอันเดียวกัน อย่าลมกันหลายยู่คนเดียกเงียบ เ, เพื่อจะได้เกิดสติเกิดควรมู้แจ้งเห็นจริงมันอยากพูดโอ้ใจมันอยากพูดแล้วเด่จะได้เห็นใจอยากพูดอันบัญญัติพูดอันนั้นเป็นกิเลสหรือเป็นปัญญาเราจะรู้ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันมีจะสอนให้เรียวสัญญาเพราะมันทําควรมเรียบร้อยแล้วถูที่สปกปรกปัญญาจะรู้โอ้นี่ผิดแล้วจะได้แก้ โอ้นี่ถูกต้องแล้วจะได้ไปสียบปัญญาจึงเป็นการรอบรู้ดังนั้นวันนี้ที่อาตมาได้แนะ แ, แนววิธีปฏิบัติให้ข้อคิดตอนสันเซาแล้วก็เห็นว่าสมควรเพราะต้องการทุกคนไปปฏิบัติให้รู้จริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ครั้งสุดท้ายว่าท่านทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะว่ายังไงท่านก็นได้เธอก็ได้ภิกษุทั้งหลายก็ได้จงทคาครัวไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจงทคาครไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหมายถึงอะไรลึกลับซับซ้อนจิ๋วผู้ที่เป็นปัญญาชนหรือสั้นปัญญารู้คนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้อันนี้ต้องอาศัยการฟังหลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ไม่ได้เป็ น, นบัณฑิต เพราะได้ยินได้ฟังมาและได้ปฏิบัติมาเข้าใจคือเรารู้ใจเรานั่นเองรู้จักศีริสเหล่านั้นเองจึงเป็นคนไม่ประมาทถ้าหากเราไม่รู้ใจเราไม่รู้ศีริสเราเราก็ยังเป็นคนประมาทอยู่นั่นเองเนีงว่ารู้จักข่มคิดสักนิดเดียวหยุดห้ามงดได้ดีมากกันว่าเพียงในน้อยอ ย, อย่างนี้ก็ดีแต่คนไม่ค่อยรู้จึงข่มคิด ตรงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปนาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความสับสนวุ่นวายให้แก่ตัวเราให้สังคมเราให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความยากความดิ้นรนอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักความคิดสักนิดเดียวเกิดเป็นคนและเสียความเป็นคนอันนี้ไม่ได้พูดให้คนนั้นคนนี้เสียความเป็นคนขาดทุน หลวงพ่ออายุ46ปีจึงรั่วควมเป็นคนควมเป็นมนุษย์ควมเป็นเทวดาควมเป็นอินเ็มพรมหรือควมเป็นพระเดียมกันอยู่ที่คนทุกคนงดเว้นไม่ได้ยกเลิกไม่ได้และควมเป็นเตดควมเป็นสัตว์เดลสารควมเป็นสัตว์นรกควมเป็นอสุรกายอยู่กับคนทุกคนงดเว้นไม่ได้ดังนั้นผู้ที่จะงดเว้นได้ คือผู้ที่มีตาทิพย์มีหูทิพ์มีกายทิพต์ผู้ตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นอายะบุคคลเป็นภาษาธรรมะธรรมะแท้จริงวะรู้อย่างเดียวกันรู้สิ่งเดียวกันรู้ตัวเราที่เองเพราะตัวเราเหมือนกันทุกคน พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดีแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคต สัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเราพวกเธอพวกท่านแลจะแต่จะพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มากดังนั้นพวกเราฟังวันนี้ก็ต้องจับใจความให้ได้สั้นๆไปปฏิบัติเองจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่านึกว่าจะเห็นด้วยตานะความรู้เกิดขึ้นมาสัมผัสรู้เรื่องลูกเรื่องนามลู้ธรรม นามรูปอันนี้ไปทำเองรูปนามนั่งอยู่เฉยๆเป็นเพียงรูปเพียงนามเท่านั้นเองพอดีทาการทำงานทารีทำชั่วเป็นรูปทำเป็นนามทำนั่งอยู่เดียวนี้เป็นเพียงรูปนามเนี่ยเข้าใจอย่างนี้รูปโลกนามโลกเจ็บหัวปวดท้องรูปเป็นโลกใจไม่สบายบันนี้นามเป็นโลกอีกสักนัดสนิดหนึ่งหนึ่จิตวิญญาณเป็นโลกพอใจไม่พอใจ ดีใจเสียใจถูกใจไม่ถูกใจอันนั้นจิตวิญญาณเป็นโลกเราจะรู้มาอย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้อาศัยท่านผู้รู้จะพูดให้ฟังเราจะค่อยสว่างตามไปเรียกว่าเราได้ต้นทางเราเดินไปหาผู้ที่รู้หรือว่าจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าคือคนธรรมดานี่เองท่านเคยได้ยินทุกคนแต่ไม่ใช่อัตมาได้ยินคนเดียว ภิกษุทั้งหลายอยู่โดยชอบพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เราอยู่ในขณะนี้อยู่โดยชอบเนี่ยสรรอาหารก็เป็นระเบียบเข้าใกล้นั่งแล้วก็ไม่ต้องพูดต้องคุยเข้าใกล้กับท่านผู้รู้ดังนั้นจึงว่าเลิกนิสัยเดิมแต่ไม่ให้ทิ้งนะแต่งดเว้นสกอนเรียมดเว้นนิสัยเดิมเดิมเรามาศึกษาเอาวิธีแปลกๆที่ ท่านผู้รู้สอนเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้มีสติกำหนดรู้ในริยาบุตรทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้และให้มีสติรู้ขู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้อันนี้เป็นวิธีที่ท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไม่ต้องพูดถึงว่าสติปัฏฐานสี่ก็ได้กายนนุปัฏนาเวทานานุปัฏนาจิตตานุปัฏนาธรรมานุปัฏนาเป็นคำพูดอันนั้นเป็นคำพูด ยังไม่ใช่เป็นตัวจริงเราจะรูปคำแค่นั้นมันไม่ได้เราต้องทำจริงด้ายการพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำสู้การกระทําให้รู้สึกครั้งเดียวไม่ได้เอาแหละที่พูดให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตจจมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมาทำธุระศึกษาหน้าที่ของตนในขณะนี้ อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนของพลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราจำนวนวอะไรขดหกสิบสามคนให้เข้าใกล้และปฏิบัติตัวเองให้รวบลับตัดใ จ, จควม ทั้งหมดเลยมารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจให้เราเห็นชีวิตจิตใจที่มีจริงเรียกว่าเป็นอัฏฐบัญญัติหรืออริยบัญญัติเราจะได้เข้าใกล้เป็นอริยบุคคลในสิวริจงทุกทุกคนเธออ้าว